พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่ารัฐ ธ, ธรรมนูญทางธรรมแอววันนี้เป็นวันที่ สิธันวาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศชาติคือวันรัฐธรรมนูญรอเจ็ดรอรัฐการที่เจ็ดท่านประธานรัฐธรรมนูญให้กับพี่น้องประชาชนกฎหมายปกครองประเทศ ถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนกับวันมาฆบูชาที่พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พันสรหรูปมาประชุมกันที่วัดป่าเวทุวันกรุงราชสัคืจากนั้นก็ได้ประทานกฎระเบียบการปกครองสงฆ์คือวันมาฆบูชา นีก็วันนี้เป็นวัน <c oughs> สำคัญของประเทศชาติคือวันที่สิบธันวาคมเป็นวันรั ฐ, รฐธรรมนูญเป็นปเป็นวันกฎหมายเปลี่ยนกฎหมายใหม่เพื่อปกครองประเทศชาติแต่ตามไม่จริงกดพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศชาติ นับตั้งแต่สองคนขึ้นไปถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรมีแต่ระวังความคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอันนี้เมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนขึ้นไปต้องระวังวาจาแต่ระวังความคิดอยู่คนเดียวแต่ระวังพอสองคนขึ้นไปก็ระวังวาจาการอยู่ด้วยกัน การที่จะพูดการจะแสดงออกหรือว่าการจะกระทำสิ่งใดก็ต้องระวังต้องมีกฎอย่างที่พระสององค์อยู่ด้วยกันเออเวลาเช้าเจ็ดโมงบินทบาทนะไปด้วยกันออมาฉันบินทบาทเออประมาณสักออภาวนาของใครของเราบ่ายสาโมงปัดกวาดนะออแล้วก็บ่ายสี่โมง ฉันน้ําด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปภาวนานะคือสองคนก็ต้องมีกฎ ก, กฎกติกาละ่ะถ้าอยู่คนเดียวจะทํำยังไงก็ได้บินธบาตเวลาไหนก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้เพราะคนเดียวถ้ามีสองคนขึ้นไปต้องมีกฎถ้ามีสมคนก็กฏก็เข้มงวดขึ้นอีกอย่าให้ผิดพลาดกัน ถ้าหากว่ามากเท่าไหร่ก็ยิงกดกติกาก็ต้องมีขึ้นมาทีนี่เพราะว่าต่างคนนาน า, น า, นาจิตต่างนาน า, นาทัศนะจึงมีกฎหมายบ้านเมืองขึ้นมาทีนี่เพราะเหตุไรเพราะมันอยู่ด้วยกันหลายคนถ้าไม่มีกฎไม่มีวินัยถ้าพระสงฆ์ไม่มีวินัยก็รู้สึกว่าคงจะลุ่มล่ามพอสุ่มพวนนะหลงพ่อว่านะนี่พระพุทธเจ้าท่าน ตั้งกฎกติกาท่านยังพูดอีกว่าธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นในเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วทำและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นศาสดาแล้วเป็นที่เคารพนับถือ ของพวกท่านทั้งหลายคือทรทำมแล้วินไยเป็นสาสดาแทนแทนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มอบหมายมอบฝังให้กับองค์ใดเป็นสาธาแดดด า, ดาแทนพระองค์นะพระองค์เออเมื่อเราตถาคตปรินิพานไปแล้วพระเถระองค์ไหนเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษามากก็ให้พวกท่านทั้งหลายเคารพเหมือนกับ ศาสตราเป็นศาสตราแทนเราพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไม่ได้บอกกล่าวอย่างนั้นท่านว่าให้ทำและวินยัยเป็นศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะทำวินยยัยท่านวางไว้แล้วนะมาตรฐานนะเป็นของตายตัวเป็นของที่มั่นคงแต่ถ้าว่าให้พระเถ ร, ระองค์ใดองค์นึงเป็นประธานเนี่ย หลวงพ่อว่าคงจะคุยขวยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วเนี่ยดูฟังฟังดนแล้วเหตุผลพร้อมหมดทุกอย่างเพราะว่าอย่างพระเถเรศองค์หนึ่งพระเถรศองค์นี้ก็ใช่อย่างท่านเป็นถึงจะเป็นพระหันก็จริงอยู่แต่ใจของท่านบนทีทสุดหลุดพ้นเป็นพระหันแต่ว่าการเป็นอยู่ของท่านภูมิเก่าของท่าน ภูมิไหนเป็นกษัตริย์มาก่อนใช่ไหมเป็นพราหมณ์มาก่อนใช่ไหมเป็นทิศฐะปาโมกอาจารย์มาก่อนใช่ไหมเป็นตำรวจทหารมาก่อนเป็นชาวไร่ชาวนามาก่อนใช่ไหมที่เป็นประธานสงฆ์ในเมื่อขึ้นมาเป็นประธานสงฆ์ก็พื้นฐานที่เป็นมานั่นแหละพื้นฐานที่เป็นมาอย่างน้อยก็ต้องออกมาออกมาเป็นผู้นํา ในเอาเรื่องนั้นออกมาแสดงออกถ้าเป็นกษัตริย์ท่านก็ต้องวางแบบกษัตริย์เพรานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทำเมื่อเราผ่านไ ป, ไปแล้วทำและวินยัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตหรือว่าเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อว่าพระพุทธองค์ตรัสตรัสไว้ถูกต้อง น่แหละเท่ว่าสวากาตาธรรมพระพุทธเจ้าตรัสจริงไหนเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่มีการผิดเพีย้ยนถ้าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วแต่บางคนก็ถามว่าในยุคสมัยนี้ครูบาอาจารย์มีมากหลากหลายแสดงออกองคนั่นก็เก่งองคนี้ก็ออกเก่งออกมาทาง Facebook แต่ตามห้จริงก็เก่งทุกองนั่นแหละ เราไม่ได้ว่าองค์ไหนาเก่งไม่เก่งแต่ถึงยังไงก็ตามให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาระวัลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการที่นางโคตมีภักแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าเข้าไปถามพระพุทธเจ้าโอ้จะทํายังไงหนอต่อไปภายภาคหน้าเ อ, อสิ่งที่แปลกปลอมจะเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่จะทํำยังไงจึงจะ ต, ตัดสินตายใจแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนถูกอันไหนผิดเราจะแยกแยะได้ยังไงเพราะพระพุทธเจ้าจะว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการพวกองค์ก็ตรัสไว้เลยแต่ให้พวกเราศึกษานะอยู่ในธรรมวิภาคนวโกวาทนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่กำหนัดเนาะย้ อ, ยอมใจเป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเหล่านี้เป็นต้นตนะทุกพ่อยกประเด็นให้ฟังนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่รู้เท่ารู้ทันรู้ตัวไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอะเหิมไปในทางทางด้านโลกมตะสงสารให้รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้รู้เรารู้เขา รู้กิเลสภายในใจของตนเองอีกต่างหากเพราะฉนั้นขอให้พวกเราศึกษาดูนะแต่ตามไม่จริงหลักธรรมคําสอนแต่ละครูบาอาจารย์ก็มีดีมีดีเป็นบางอย่างแต่ถ้าเราให้ศึกษาดูแล้วเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาดูแลกํากับถ้าเราเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาดูแลกํากับแล้ว จะเป็นกระจกเงาเราจะรู้ได้ว่าอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถู ก, ถกต้องแต่เราจะไปเชื่อด้วยศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธาในความเชื่อก็จริงอยู่แต่ศรัทธาในเชื่อมากที่ทาเสียหายได้นะ เ, เชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะทำเสียหายได้ศรัทธาตัวนี้ไม่ใช่ว่าศรัทธาเขาเก่งดีแล้วก็จะเลิศประเสริฐไม่ใช่นะศรัทธาในทำให้คนตกนรกหมกไหมก็มีเหมือนกันนะ ศรัทธาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาในใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็ททำให้เสียหายอีกเหมือนกันใช้ปัญญาในการเปรียบเบียคนคลนฆ่าคนเอารัดเอาเปรียบคนเอารัดเอาเปียบสัตว์ที่รชานวิธีการที่จะเอาชนะคนเป็นยังไงแต่ถ้าเอาชนะกิเลส ต, ตัวเองไม่เป็นไรเป็นบุญ แต่เอาชนะคนอื่นฆ่าคนอื่นเอาด้วยปัญญาของตนเองอันนั้นเป็นหนทางแห่งความชิบหายบาปหนักเหมือนกันเพราะเราใช้ปัญญาเนยะเพราะนั้นปัญญาเนี่ยก็เป็นพิษเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะถ้าใช้ไปนในทางดีก็เลิศประเสริฐนะทางแลใช้เปทางชั่วนี่ก็เออไม่เลวไม่เช่นน้อยอีกเหมือนกัน เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านจึงยกประเด็นขึ้นว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นถ้าคนใดก็ตามสัมมาทิฏฐิคือความชิดคิดชอบเนื่อเมื่อคิดชอบคิดในทางที่ถูกต้องการกระทาก็ถูกต้องการพูดก็ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเราคิดดีคิดเป็นสัมมาทิฏฐิคิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดที่จะเมตตาสงสารคนอื่นคิดจะชะําระ ใจของตอนเองให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสา ร, รไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษในวัฏฏะสงสา ร, รนี่แหละคืออันนี้แหละคือสัมมาทิฐิในหลำำักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ดดาเพะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อเองพวกเราเป็นลูกศิษย์เป็นคณะศิษยานุศิษยพักกรรมฐานพักกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น หลวงพ่อเองพูดทีไรหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราเน้นเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากแต่เรื่องทานเราก็ไม่ว่ากันล่ะกหลวงพ่อ เ, อเห็นพี่น้องประชาชนจัต t าญาติโยมทาทานนี่ก็เป็นที่พอใจแต่ศีลรู้สึกว่าห่างเหินลงไปบ้างแต่เรื่องภาวนาเนี่ยหลวงพ่อไม่มั่นใจเลยในการที่จะพก พวกเราท่านทั้งหลายจะนั่งภาวนาเป็นตุเป็นตะแต่ตามไม่จริงพวกเราควรจะนั่งนะอย่างประเทศพมา่าถ้าเราไปประเทศพมา่าเราจะเห็นพวกพมา่าเนะี่ยเขาจะนั่งภาวนาแถบๆข้างโบสถ์ทางวิหารท า, ทางสถานที่เขาไปกราบไปไหว้นั่นแหละอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่เมืองไทยของเราเนี่ยจากนานๆจะได้เห็นในการนั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นกลุ่ม แต่ถึงอย่างไงก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านเรื่องสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่น่าจะผิดถูกต้องทีเดียวเลยการภาวนานเป็นหัวใจเพราะเหตุไรจึงพูดอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่ไหนท่านไม่ได้ศึกษาที่ไหนท่านนั่งภาวนา ถึงถึงถึงจะไปเรียนที่อื่นก็เถอะท่านก็ไม่ได้ถือว่าประเด็นสําคัญในจุดนั้นที่ท่านได้สําเร็จวันเดือนหกเพนนนั้ท่านทําอย่างไรนะจุดก่อไก่เครื่องเบื้องแรกนะจุดเบื้องแรกก็คือนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงให้พวกเราฟังเอาไว้นะเราไปนั่งณนะสถานที่ใดนั่งในห้องพระก็ได้ นั่งที่บ้านของเราที่ไหนก็ได้เงียบสงบปิดวิทยุโทรทัศน์ปิดโทรศัพท์ในช่วงที่เราจะนั่งภาวนาให้อยู่ในความสงบอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่ในห้องไหนก็ได้ปิดให้ม่เช็ดเรียบร้อยอดูความเรียบร้อยทุกอย่างอย่าให้มีอย่าให้ใจมีวิตกกังวลในช่วงนั้นที่ช่วงที่เราจะนั่งสมาธิเรื่องอะไรที่ จะเกี่ยวข้องในก่อนที่นั่งสมาธิเราจะพูดจะทําอะไรพูดให้เรียบร้อยไม่มีอะไรเออเอาตอนนี้ไปเราไม่มีอะไรเราไม่มิตกกังวลอะไรละทีนีเ้เราคนนั่งแล้วก็กราบนะกราบซะก่อนนะกราบไปทางไหนก็ได้กราบที่ว่าไปทางที่พวกเราในขณะนั้นเห็นว่าเหมาะสมแล้วกราบพุทโทธธรโมอย่างที่พวกเราเป็นนอนอยู่ ใตร่มไม้ก็เหมือนกัน เ, เราตาบใต้รงมไม้แล้วก็กลับหันหัวไปทางต้นไม้ใช่ไหมเฮาหัดหลันหันหน้าออกแล้วก็กลับไปทางต้นไม้นะเราไม่ใช่กลับต้นไม้นะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราวพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณที่แนะนําให้พวกเราได้นั่งสมาธิให้รู้จักวิธีการปฏิบัติคือพระพุทธเจ้านะเราบอกกาวพุทโธ กราบธรรมโมก็คือกราบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประทานออกมาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติและก็กราบอีกสังโฆข้าพเจ้ากราบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้นําพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยเพราะพระสงฆ์เมื่อเราข้าพเจ้าขอกราบพุทโทรธธรรมโมสังโฆเนี่ย เ, เรากราบในใจ นะไม่ใช่กาบากลมกาบแรงนะนึกขึ้นมาซะก่อนกาบพระคุณสรุปแล้วก็คือกาบพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเมื่อกาบเสร็จแล้วกาบสามครั้งพุทโธธรมโมสังโฆเสร็จแล้วนะเราจะแผ่เมตตาก็ได้ก็ได้ข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่น พวกวิญญาณทัวดไร้โลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้นั้นระลึกอย่างนี้เพราะเหตุอะไรจรึงระลึกอย่างนี้เพราะว่าใจของเรานี่ในก่อนที่อัดก่อนที่นั่งสมาธิเนี่ยก่อนหน้านีเน้เราอาจจะมีการโมโหโกหกถากผูกพยาบาทอาฆาตอยู่ในจิตในใจของเรายังมีอยู่ถ้ามีสิ่งไหนที่เกาะที่คล้องจิตใจของเราจะไม่รวมไม่สงบ ไม่สงบลงได้ง่ายเพราะอะไรมันมันเคืองหรือว่ามันดิ่งหรือมันไปหาจุดนั้นอยู่เพราะนั้นเราแผ่เมตตาเอาแตตัดหมดทุกอย่างข้าไปเจ้าแผ่เมตตาขอให้ท่านเป็นสุขในช่วงนี้ข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นก็จงเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทั้งเขาทั้งเราด้วยถึงเขาจะอาฆาตเราก็เถอะแต่เราไม่อาฆาตในช่วงนี้ Uh, เราปล่อยวางไว si ้ก่อนจากนั k k. ้นเราก็นั่งสมาธิคือการแผ่เมตตาเนี่ยคือทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นกุศลทำใจให้ไม่มีพิษมีภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งจากนั้นก็เอามือลงก็นั่งบริกรรมพุทธโธนะกาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทธโธพุทธโธพุทโให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้น อย่าไปให้ลมเข้าไปอยู่ข้างในไม่ต้องตามลมเข้าไปและไม่ต้องตามลมออกมาให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกนะวิธีการปฏิบัติภาวนาทถตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่วิธีการปฏิบัติอีกออ พ, อพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้ทั้ง40อย่างนะแต่หลวงพ่อเองแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม ล, ลูกหลานหลวงพ่อว่าให้พวกเรานับดูนะให้วิธีการนับดูก็ได้ลูกหลานจะรู้ได้เร็วหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปจนร้อยพอไปถึงร้อยเสร็จแล้วไม่เผลอพอไม่เผลอให้กลับมาอีกนับอีกหนึ่งสองสามสี่คือหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสีหบหงงหส่หายใจเข้านับห้าเราจะรู้ได้อย่างไร่ให้สังเกตดูว่าหายใจเข้าเป็นเลขขี้นะเราเอาจุดนี้ท่าหายใจออกเป็นเลขคู่คนะี่คู่คี่คู่คี่คู่ไปถึงร้อยถ้าไม่เผลอกลับมาอีกคี้คู่คี้คู่อีกแต่โดยมากมันเผลอนะให้ทดลองดู หลวงพ่อไม่อยากจะพูดล่วงหน้าให้พวกเราให้สังเกตตัวเองก็แล้วกันเวลาหาย ใ, ใจเข้านะออพอมันขี้คู่ก็จริงต่อไปไม่ถึง1ิบบางคนนะนับไม่ถึงสิ อ, อมันจะเอาคู่ขี้เท่านี้มันจะเอาคู่ซะก่อนไม่ออกขี้แต่ไม่จริงมันต้องขี้คู่ใช่ไหมนี่แหละเราต้องกลับมาใหม่อีกออกลับมาหากรรมฐานอีกนับใหม่ ในเมื่อเรานับสามสี่ห้าครั้งอยู่แล้วทีนี้จิตใจมันนิ่งอยู่ได้แล้วเราจะค่อยบริกรรมพุทโธต่อนะนี่แหละวิธีการเริ่มต้นให้สังเกตพอเรานั่งสมาธิพอมันมันเผลอมันเผลอเราก็ต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกเอ็มมันทำมือมันเผลอได้ยังไงวะเผลอต่อหน้าต่อตาขนาดนี้มันเผลออะไรมันขาดสติได้ยังไงต้องตั้งเต็มให้เข้มแข็งอีกจออีกดูอีก ดูขี้คู่ขี้คู่อีกเอมันเพล่ไหมหลวงพ่อว่าถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่สติของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้มแข็งขึ้นมาแนละ้วต่อไปเราจะนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกก็จะเห็นที่ลมเข้าออกเป็นหลักเมื่อจิตใจของเราอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมแล้วสติอยู่กับตัวเองแล้วนะ เราพูดได้เลยว่าคนนั้นจะไม่ปั้มปั้มเปอรเปอรจะไม่เป็นบ้าพูดง่ายๆนะเพราะเราจิติอยู่กับตัวเองอยู่ถ้าคนขาดสติมากๆนะมีโอกาสนะลูกหลานณนะศรัทธาญาติโยมนะอย่างน้อยก็เป็นอัลไซเมอร์ล่ละหลหลงลืมลืมแต่ถ้ามีสติอยู่กับตัวเองแล้วนอะพวกเราจะฝึกหัดสติอยู่กับตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วน ะ, เ, ะเพราะนั้น เมื่อสติอยู่กับตัวเองแล้วจะเป็นจะเป็นไรเพราะว่าพวกเรารู้อยู่แล้วว่าสติอยู่กับตัวเองเรานึกคิดเรื่องอะไรเราก็รู้เราจะเดินไปที่ไหนเราจะพูดอะไรเราก็รู้เพราะว่าสติอยู่กับตัวเองนี่แหละขอให้พวกเราฝึกหัดเรื่องสติวิธีการฝึกหัดสติทําอย่างนี้ในเมื่อมีสติดีแล้วสมาธิดีแล้วและปัญญาวิธีการเดินปัญญายังค่อยว่ากันไปอีกที่หนึง่ง อันนี้เรียกว่าสมัทธาเนี่ยทำจิตใจให้สงบและวิปัสนาอันนั้นคือการไกลการกรองไตรตรองเหตุและผลที่พวกเราได้รู้เมื่อสมาธิผ่านเมื่อผ่านสมาธิแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงได้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะ เ, าเรื่องสมาธิอย่ามองข้ามสรุปแล้วมันจะใช้ไปได้ตลอดอานานเท่านานจนถึง อ, ว, อวสานของชีวิตนะในเมื่อเราจะลาโลกนี้ไปสติสัมปชัญญะอดู่กับเร า, เ, าเราจะรู้ได้ว่ า, เ, าเราคงไม่ไหวแล้ววะธาตุขันของเราคงไม่ไหวแล้ว ไปไม่รอดนะข่าวนี่เนละเราก็จะรู้ได้โดยตนองเพราะเรามีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฝึกเรื่องสตินะเะมื่อสติดีแล้วเมื่อเรามีเรื่องอะไรขับขันเข้ามามันก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวเองแตสติสติอยู่กับตัวเองนะเอมื่อมีสติอยู่กับตัวเองเราจะทําอะไร เ, ะเราจะพิจารณาอะไร เ, ะเราจะ ใช้แนวความคิดยังไงเอาตัวรอดยังไงเนี่มันได้ทางนั้นแหละเพราะว่ามีสติอยู่กับตัวเองเพราะมันจิตใจมันเฝ้าบ้านตัวเองอยู่ตลอดนะแต่ถ้าว่าจิตใจของเราออกจากบ้านไปแล้วออกจากบ้านออเลอะเหยไปแล้วมีแต่ปล่อยบ้านของเราให้ว่างเปล่าคือร่างกายของเราว่างป่าววาวงเปล่าสติไม่อยู่กับตัวเองอันนั้นไม่ดีนะคณะาจารย์ญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธนนะิญาณเนี่ยวันเดือนหกเพนให้พวกเรายึดจุดนั้นตอนหัวคำ่ำท่านทำยังไงที่ท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วนะท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึวน้ว่าปุเพนิวาสารุจติญาณระลึกชาติโหนหลังได้นะ นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญ น, นะออพอท่านยืนยันไว้เลยตายแล้วไม่สูญนะว่าปุเพนิวะสานุสติยานระลึกชาติทูลหลังได้ถ้าพระพุทธองค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะมีชาติทูลหลังได้อย่างไรเพราะมีชาติทูลหลังรนะะลึกชาติทูลหลังก็เพราะว่ามีชาติที่แล้วจากนั้นพระองค์นะในพระไตรปิฎก เรียกว่าชาดกชาดกนก็คืออดีตชาติของพระ อ, องค์ที่ท่านไล่เลี้ยงมาอันนั้นคือยานัานทัศนะของพุทธะนะแต่พวกเราเป็นสาวกาเนี่ยเพียงแต่ปฏิบัติตามทมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติให้รู้แจง้งเห็นจริงเนะเท่านี้ก็พอแต่ผู้มีอุปนิสัยก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันนะ เ, เมื่อนั่งภาวนาเข้าไปแล้วจิตใจ เ, เข้าสู่ความสงบได้แล้วนะลเนี่ยระลึกชาติทุนหลังได้ ก็มีมากต่อมากเหมือนกันในพระสาวกนะในยุคนี้ก็เถอนะครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านมีอุปนิสัยไปในทางนั้นก็มีเพราะว่าพระหันในครั้งพุทธกาลมีอยู่สี่จำพวกนะคณะสัทธายาโยมลูกหลานสุขวิปัสสโกแปลว่าชำระใจของท่านให้สำเร็จบริสุทธิทธ์จุดพ้นท่านไม่รู้อดีตอนาคต รู้แต่ว่าใจของท่านบริสุทธิ์เป็นพระรหันต์ไม่มีกิเลสแล้วในใจของเรารู้อ น, นี้ราพระรหันต์สุขวิปัสโกเตวิชโชสละพินโยปฏิสัมพิทัพปัตโตนะพระรหันต์อีกสามจำพวกนี้รู้อดีตรู้อนาคตใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ารู้แต่ว่าพระพระหันต์เหล่านี้ก็รู้แต่ไม่มาก เ, เหมือนกับ บามีของแต on, like ่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันแต่พระอรหันเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันเพเพราะเหตุไรแต่ความบริสุทธิ์เบื้องต้นเนี่ยว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นอนนั้นเหมือนกันไม่มีการแตกแตกต่างกันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระอรหันตสาวกพระอรหันสี่จำพวกพร้อมกับพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์จุดนั้นเหมือนกันแต่ญานรัตนะความรู้อันนั้นน่ะ ยานชาญด้วยความรู้เหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้มีอิทธิฤทธิ์อ น, นั้นไม่เหมือนกันมีบารมีต่าง ก, กันในจุดนั้นนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันมีที่ไปที่มาทั้งหมดนะตอนน่อในไปพระสงฆ์จ้าหนุมนมูราให้พรรับพร